เปรตก็เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าเป็นผีชนิดไหนเปรตเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีว่าเปรตแปลว่าผู้ล้าไปแล้วหมายถึงคนที่ตายไปแล้วทั่วๆไปอีกอย่างหนึ่งแปลว่าบิดรคือญาติร่วมโลหิตผู้ใหญ่ผู้สืบสายตรงลงมาแต่มุ่งถึงญาติดังกล่าวผู้ล้าไปแล้วที่เรียกว่าบุรภาพบิดรการทำมูลอุทิศให้บุรภาพบิดอนเรียกว่าบุพะเปรตพรี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 เพราะใช้ในถ้อยคําดังกล่าวบ่อยๆเมื่อได้ยินคําว่าเปรตก็ทําให้นึกถึงผีจําพวกนั้นทันทีซ้ํายังมีเรื่องกล่าวถึงเปรตญาติคือญาติผู้ตายไปแล้วของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งไปเกิดเป็นผีจําพวกนี้มาขอรับส่วนพระราชกุศลของพระเจ้าพิมพิสารก็ยิ่งทําให้ความเข้าใจเอียงไปถึงผีจําพวกนั้นและแม้จะเป็นผีคนอื่นไม่ใช่ผีญาติของตนเมื่ออยู่ในลักษณะเดียวกันก็เลยเรียกว่าเปรตด้วยกันทั้งหมด เปรตคือคนที่ตายไปแล้วยังไม่ได้กล่าวว่าตายไปเป็นอะไรก็เลยเปลี่ยนความหมายว่าตายไปเป็นเปรตกลายเป็นภูมิชั้นอีกชนิดหนึ่งของอบายหรือทุคติเรียกว่าปิติวิสยาแปลกันว่าวิสัยคือแดนหรือถิ่นฐานของเปรตแต่คำว่าปิติน่าจะแปลว่าของบิดาหรือปิตรุในภาษาสันสกฤตมีคาเทียบในภาษาบาลีคือเปติกะแปลว่าของบิดา คำนี้ก็มีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากวงญาติจนหมายถึงเปรตทั่วไปในเรื่องพระเจ้าพิมพิสารแห่งมคขธรัตทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่เปรตที่เคยเป็นญาติแต่ก่อนนั้นพระอาจารย์ได้แสดงรูปลักษณะของเปรตที่มายืนรับส่วนบุญที่พายนอกฝาตำหนักเป็นต้นว่าเปรตเหล่านั้นสวยผลของความริสยาและความตรนีบางพวกมีหนวดผมยาวมีหน้าดาบางพวกมีเส้นเอ็นหย่อน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 ฝีและตอมที่แตกของกาแะกันหรือของสัตว์เหล่าอื่นทั้งหมดหล้วนมีรูปร่างพิกล น, น่าเกลียดน่ากลัวในที่อื่นได้กล่าวถึงเปรตมีรูปร่างวิปริตต่างๆได้รับทุกทรมานอาการต่างๆกันสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสได้ทรงประมวลชนิดเปรตไว้สี่ชนิดในหนังสือธรรมวิจารณคือ 1. รูปร่างไม่สมประกอบสู้ผอมอดโซดังกล่าวแล้ว 2. ร่างกายพิการเช่นร่างกายเป็นอย่างของมนุษย์แต่ศีรษะเป็นอย่างของสัตว์ดิรัชานเช่นเป็นกาบ้างเป็นสุกรบ้างเป็นงูบ้าง 3. รูปร่างพิกลสวยกรรมกรอยู่ตามลำพังด้วยอํานาจบาปกรรม 4. รูปร่างอย่างมนุษย์ปกตกิแม้เป็นผู้สวยก็มีมีวิมานอยู่แต่ในราตีต้องออกวิมานไปสวยกรรมกรกว่าจะรุ่งเรียกว่าเวมะนิกาเปตเรื่องเปรตเหล่านี้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 ก็ไม่อาจจะบริโภคให้เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายที่ใหญ่โตและอาหาร อ, ารอะไรที่บริโภคเข้าไปก็กลายเป็นของร้อนแผดเผาอยู่ในกระเพาะเปลี่ยนไปเป็นมีดเลื่อยและอาวุธอื่นๆทิ่มแทงลำไส้หล่นไปยังภ้า พ, พื้นทําให้เป็นบาดแผลเจ็บปวดพา ก, กันร้องคร่ำครวญหาน้ําหรือขอน้ําอยู่หนึ่งนิดความกระหายน้ํามีมากดังที่เขียนเป็นภาพมีเปลวเพลิงลับออกมาจากปากและมือพยายามที่จะจับต้องน้ําที่ได้ ก็กลายเป็นไฟขึ้นและกล่าวว่าเปรตทั้งหมดมี36ชนิดแบ่งเป็นหมู่ๆคือเป็นเปรตต่างศาสนาที่น่าสยดสยองเป็นเปรตพุทธศาสนิกที่น่าสยดสยองเป็นเปรตที่กินดื่มน่าสยดสยองเพราะสิ่งที่กินดื่มเข้าไปกลายเป็นอาวุธต่างๆเป็นเปรตที่ไม่ถูกจํากัดที่อยู่เที่ยวไปได้ในโลกมนุษย์หรืออีกหมู่หนึ่งน่าจะเป็นเปรตที่ถูกจํากัดที่อยู่จึงรวมเป็น5้าหมู่ดังกล่าวในหนังสือนั้น เปรตเหล่านี้มีสารพบชนิดหรือตามลัทธิลามะในหนังสือนั้นคือ 1. มีร่างกายแบนคือแบนอย่างใบไม้นอนงายได้อย่างเดียวมีคำเรียกการนอนแบบนี้ว่าเปรตสายยา 2. มีปากเล็กเท่าเข็มมีลำคอเล็กแต่ท้องโตเพราะมือมีชมีวิตอยู่อยากแต่จะกินอย่างเดียว 3. กินสิ่งที่อา จ, จินออกมาของผู้อื่น 4. กินอุจจาระปัสสาวะเปรตจพวกนี้เห็น ปจกุติหรือซุวมเป็นที่ปรุงอาหารที่ดีที่สุดหรือผีกระสือกระมัง 5. กินหมอกเพราะเห็นหมอกปรากฏดูดอาหาร 6. เลี้ยงตูวด้วยน้ําที่เขาให้ 7. มองเห็นยากเพราะมีรูปละเอียด 8. เลี้ยงตูด้วยเขระที่ผู้อื่นผมทิ้งไว้หรือผีกระโถนกระมัง 9. กินผมขนเพราะเห็นอยู่แต่เฉพาะผมขนเท่านั้น 10. ดูดเลือดของผู้อื่นสิอ เลี้ยงตูด้วยความคิดอันเป็นบาปอันชั่วร้ายของผู้อื่นเพราะเป็นความคิดที่อยู่ในระดับเดียวกันกันกบของตน 12. กินเนื้อของตนเอง 13. เลี้ยงตูด้วยก้นทูปที่เขาบูชา 14. ทำความไข้เจ็บคือเป็นเหตุให้เกิดความไข้เจ็บส5บซอดสายเพื่อจะรู้เห็นความลับที่เขาปกปิดเช่นเดียวกับพวกจารบุรุษหรือผีนักสืบกระมัง 16. หหลบซ่อนอยู่ตามแผ่นดินไม่กล้าแสดงตัวในที่ประชุมชน 17. เป็นวิญญาณหรือผีเที่ยวทำเสียงรบกวนในที่ต่างๆหรือแสดงเสียงหลอก 18. มีเปลวไฟออกมาจากข้างในไม้ของกินของดื่มเสียหมดในเวลาที่เปิดเข้าปาก 19. ลักพาเด็กเพื่อกินเป็นอาหาร 20. อาศัยอยู่ในทะเล 21. ไม่ปรากฏ 22. ถือตะบองของยมราชคือองค์รักหรือผู้รับใช้ของยมราช23อดอยากทนทุกทรมาน24กินเด็ก 25. ิากินอวัยวะภายในของสัตว์และคนอื่นเช่นตับไตไส้พุงหรือผีปอบกระมัง 26. ลักษะะหรือลากศาสะสะมีร่างกายแข็งแรงน่ากลัวอยู่ตามป่าช้ามีซากศพเป็นอาหาร 27. กินควัน28อาศัยอยู่ในลุ่มต่ำหรือที่น้ำขังที่ชื้นแฉะซึ่งไม่มีใครอาศัยอยู่ 29. กินลม30เลี้ยงตัวด้วยเท่าฐานที่ได้ในที่ต่าง 31ิอดกินสิ่งเป็นพิษส2อาศัยอยู่ในทะเลทรายส3สาเลี้ยงตัวอยู่ในเปลวไฟแล็บที่มีอยู่ในที่ต่างๆส4อาศัยอยู่บนต้นไม้ส5หอาศัยอยู่ตามข้างถนน36คฆ่าผู้อื่นเพื่อเข้าสิงอยู่ในร่างกายเขาแทนเรื่สาหชนิดตามที่แบ่งไว้นี้ดูคล้ายเที่ยวเก็บอมนุษย์หรือผีที่กล่าวถึงในที่ต่างๆมารวมไว้เท่านั้นไม่ใช่จัดตามหลักเกณฑ์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 พวกยมมุบรุษคือคนของยมราชก็น่าจะเป็นเปรตชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันส่วนรากศสสะหรือลักะสะนักเรียนบาลีในเมืองไทยแปลกันว่าผีเสื้อน้ำพระอาจารย์ทางฝ่ายเราอธิบายว่าหน้าขาวท้องเขียวมือเท้าแดงเขี้ยวใหญ่เท้าเก่รูปพิกลหน้ากลัวอาศัยอยู่ในน้ำซึ่งไม่ใช่ในป่าช้าไม่ได้กล่าวว่าเป็นเปรตชนิดหนึ่งส่วนทางมหายาน เก็บมารวมเป็นเปรตชนิดหนึ่งด้วยวิบากกรรมของเปรตในไตรภูมิพระร่วงตอนเปรตภูมิกล่าวถึงพวกเปรตมากมายหลายจําพวกมีถิ่นฐานอยู่รอบเมืองราชคฤุฑกลางสมุทรเนื้อเขากลางเขาที่มีปราสาทอยู่ก็มีที่มีพาหน้ายดยานเที่ยวไปในอากาศก็มีเมื่อเดินเรือเป็นเปรตเดินขึ้นเป็นเทพยดาหรือกลับกันก็มีแฝงต้นไม้ใหญ่อยู่หรืออยู่บนที่ราบก็มี เป็นพวกผีเสื้อผีในต้นไม้ก็มีเป็นพวกผีปีศาจซ่อนตนอยู่ในแผ่นดินก็มีมีอายุยืนต่างๆกันร้อยปีพันปีตลอดถึงกับกันพุทธันดรต้องทนอดอยากทุกยากต่างๆ่างลางจำพวกอายุยืนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ข้าวสักเมล็ดน้ําสักหยาดเข้าปากเข้าคอลางจำพวกตัวใหญ่ปากเล็กเท่ารูเข็มลางจำพวกผอมนักหนาจะหาเลือดสักหยดก็ไม่ได้หนังติดกระดูตากลวงลึก ผมยุ่งรุ่ยร่ายไม่มีผ้าปกกายเหม็นสาบร้องเพราะอยากอาหารนักหนานอนสิ้นแรงได้ยินเหมือนเสียงร้องเรียกให้มากินข้าวกินน้ำรุกล้มล้มรุกไปมาแต่ก็ไม่มีข้าวน้ำจะได้แต่ที่ไหนเปรตเหล่านี้เมื่อเป็นคนมักลิษยาคนมีดูแคลนคนยากทําคนเอาสินท่านมาเป็นสินตนตรหนี่ไม่ให้ทานเห็นเขาก็จะให้ห้ามช่อทดั์สินสง์ ลางจำพวกมีตัวงามดังมหาพรมงามดังทองมีปากดังหมูอดอยากหนักหนาเพราะเมื่อก่อนในเบว่เป็นชีมีศีลบริสุทธิ์จึงงามดังทองมีปากดังหมูเพราะประมาทครูบาอาจารย์เจ้ากูสงผู้มีศีลจำพวกหนึ่งตัวงามดังทองปากเหม็นหนักหนาหนอนเต็มปากบ่นกินปากเจาะกินหน้าตาเพราะได้รักษาศีลเมื่อก่อนจึงมีตัวงาม ปากเหม็นนอนบ่อนกินปากเพราะได้ติเดเตียนยุยงสงให้ผิดกันจําพวกหนึ่งเป็นหญิงหรือชายมีต้นเหม็นหนักหนาแมลงวันตอมอยู่ทั่วเจาะกินตน้นผอมหนักหนาหาเนื้อไม่ได้เลยเอ็นหนังพอกกระดูกอยู่อดอยากหนักหนากินเนื้อลูกตนเองเพราะเมื่อเป็นคนอยู่หลอกให้ยาแท้งแก่หญิงมีคันและสะบัดว่าถ้าให้ยาลูกตกก็จะเป็นเปรตเหมือนอย่างนั้นจําพวกหนึ่งเป็นหญิง หรือชายอดอยากหนักหนาเห็นข้าวน้ําหยิบมาเป็นก้อนอาจมเป็นเลือดเป็นหนองเห็นผ้าอหมห่มก็กลายเป็นแผ่นเหล็กแดงไหม้ทั้งตัวเพราะเมื่ออยู่เป็นคนครึ่งเคียดดาทอสามีหรือภรรยาผู้บริจาคทานให้ไปกินข้าวน้ําก็กลายเป็นอาจมเลือดหนองให้ใชายผ้าผ่อนที่กลายเป็นเหล็กแดงจําพวกหนึ่งต้นใหญ่สูงเพียงลําตาลผมหยาบตัวเหม็นอดอยากไม่มีข้าวสักเมล็ด น้ำสักหิาสิเข้าท้องเพราะเมื่อกำเนิดก่อนตรหนี่นักไม่มักทำบุญทานทั้งห้ามปราบผู้อื่นมิให้ทำจำพวกหนึ่งสองมือกอบเอาข้าวรีบลุกเป็นไฟมาใส่บนหัวตนเองเพราะเมื่อกำเนิดก่อนเอาข้าวรีบปนข้าวดีไปลวงขายจำพวกหนึ่งเอาค้อนเหล็กแดงตีหัวตนเองเพราะเมื่อกำเนิดก่อนได้ตีทิะพ่อแม่ด้วยมือไม้หรือด้วยเชือกจำพวกหนึ่งอดอยากครั้นเมื่อกินข้าวกินน้ำที่เห็นว่ามีรสอร่อย กกลายเป็นอาจมเน่าเป็นหนอนเหม็นเพราะเหตุที่เมื่อกำเนิดก่อนได้ะสะบทให้เป็นดังนั้นเพื่อพรางว่าไม่มีข้าวน้ำที่จะบริจาคจำพวกหนึ่งเป็นหญิงมีเล็บมือใหญ่ยาวและคมดังมีดคมกริบขูดเนื้อหนังของตนเองกินเพราะลักเนื้อของผู้อื่นแล้วปฏิเสธโดยสะบทให้ไปเป็นอย่างนั้นจำพวกหนึ่งกลางวันถูกยิงแทงตีดามีสุนัขใหญ่ไล่คบกัดกินเนื้อกลางคืนเป็นเทพยดาเสวยที่ะยศสมบัติเพราะเมื่อกำเนิดก่อน รางวันเข้าป่าล่าเนื้อกลางคืนจำศีลจำพวกหนึ่งมีวิมานดังเทพ ย, ายดาแต่อดอยากนักหนาเอามือคมกริบขูดเนื้อหนังของตนออกมากินเพราะมือกำเนิดก่อนเป็นในมือบังคับความรมาษฎรมักกินสินจ้างที่ชอบว่าผิดที่ผิดว่าชอบจึงสนองให้ขูดเนื้อหนังของตนกินแต่เพราะได้จำศีลจึงมีวิมานอยู่จำพวกหนึ่งกินเศษอา จ, จีนน้ำลายเหงื่อใครน้ำเน่าน้ำหนองและของเม้นอื่นๆ เพราะเมื่อกำเนิดก่อนให้ของเดนของเสียแก่พระสงฆ์ผู้มีศีลจำพวกหนึ่งกินน้ำหนองและซาสุนัขเน่าเพราะเหตุที่เมื่อชาติก่อนนำเนื้อต้องห้ามมาอัมพรางให้พระสงฆ์ฉันจำพวกหนึ่งเปลวไฟพุ่งออกแต่อกลิ้นปากลามไหมทั้งตัวเพราะเมื่อชาติก่อนได้ด่าศบประมาทกล่าวมุสาวาทะต่อพระสงฆ์และพูดเท่าผู้แก่ผู้มีศีลจำพวกหนึ่งอยากน้ำดังใจจะขาดเห็นน้ำใสเอามือก่อดมากิน น้ำกกลายเป็นไฟไหม้ทั้งตัวเพราะเมื่อชาติก่อนคมเหลงคนเข็นใจไม่มีกรุณาปราณีเห็นของท่านก็ใครจะได้เห็นศีลท่านก็ใคร่จะบิดบังเอาใส่ความผิดท่านจำพวกหนึ่งมีตัวเปื่อยเน่าผอมหลังขดมือเน่าเท้าเปือ่อยเอาไฟมาครอกตัวเองกลิ่งอยู่ดังขอนไม้เพราะเมื่อชาติก่อนครอกเผาป่าหรือทำลายไม้ทำลายสัตว์ป่าจำพวกหนึ่ง มีตนใหญ่เท่าภูเขามีเส้นขนริยาวเสียบแหลมเล็บตีนเล็บมือใหญ่คมกริบดังมีดห อ, อกดาบเล็บและขนกระทบกันดังลั่นลุกเป็นไฟไหม้ทั้งตัวบาดตูดังขวานฟ้าผ่าเพราะมือชาติก่อนเป็นนายเมืองแต่งความมิชอบธรรมเห็นแก่สินจ้านไม่เป็นกลางที่ชอบว่าผิดที่ผิดว่าชอบเปรรจมือจัต่างๆในไตรภูมิพระร่วงดูราชื่อกำพีที่คนมาเรียบเรียงก็เห็นได้ว่าเก็บจากกมภี์สายเถรวาธ หรือพระพุทธศาสนานิกายสายใต้สแสดงลักษณะท ร, รมานต่างๆและสแสดงกรรมที่กระทําในชาติก่อนด้วยแต่ของบางจําพวกดูก็ไม่ค่อยเหมาะสมพระอาจารย์น่าจะเก็บเปรตมาจากที่ต่างๆและสแสดงกรรมกํากับไว้แต่ก็มีลักษณะเป็นเปรตมากกว่าเปรตทางสายทิเบตเพราะทางสายนิกายสายใต้นี้มีลักษณะตรงกันอยู่อย่างหนึ่งว่าทนทุกทรมานด้วยตนเองตนเองเป็นผู้หิวกระหายถูกไฟไหม้ ถูกสัตว์บ่นกัดกินเป็นต้นมีที่เที่ยวไปทําร้ายใครส่วนเปรตทางนิกายสายเหนือมีลักษณะเป็นปีศาจหรือผีที่เที่ยวไปทําร้ายคนหรือสัตว์ดีรชานอื่นๆด้วยแต่ทั้งสองสายก็มีลักษณะตรงกันอยู่ข้อหนึ่งว่าเปรตต่างจากสัตว์นรกนรกนั้นเป็นสถานทรมานที่มีอยู่ส่วนหนึ่งเทียบอย่างคุกตารางสัตว์นรกรวมอยู่ในคุกนรกนั้นส่วนเปรตอยู่ในที่ต่างๆบนโลกเป็นที่จํากัดบ้างไม่จํากัดบ้าง เป็นพวกที่มีร่างกายพยิกลพิการอดอยากยากแค้นทนทุกทรมานในลนักษณะต่างๆเทียบด้วยคนอดอยากยากแค้นไม่สมประกอบพิกลพิการมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งในที่ต่างๆหรือที่วเร่ร่อนไปไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งการทําบุญอุทิศกุศลให้เรื่องผีบุาพิดรและการทําทักษิณาคือทําบุญอุทิศให้ได้มีแสดงไว้แล้วในรัทติพราหมณ์ก่อนแต่พระพุทธศาสนาได้มาบังเกิดขึ้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วคิดดูถึงจิตใจของคนที่เป็นญาติกันเมื่อเชื่อว่าญาติที่ตายไปแล้วของตนไปเกิดตกทุกข์ได้ยากก็ย่อมจะมีความสงสารและคิดช่วยด้วยประกอบออกพอิธีตามที่เชื่อถือจึงเกิดพิธีสราตทะพรตหรือวัดพิธีตามที่เชื่อขึ้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้บังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงบุพภาพประเรพณีในพระพุทธศาสนาแต่ในชั้นหลังได้แยกออกเป็นสองสายคือ มหายานและเทราวาสฝ่ายเทราวาสได้นับถือพระพุทธวจนะที่พระเถระทั้งหลายมีพระมหากระสปะเป็นประธานได้ทําสังคยานาไว้ครั้งที่หนึ่งและได้รักษาสืบกันมาจนถึงได้จารึกเป็นตัวอักษรในลังกาการแสดงพระพุทธศาสนาของสายนี้ตลอจนการอ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นตรัสอย่างนี้ก็อ้างจากพระไตรปิฎกซึ่งได้จดจารึกตั้งแต่ครั้งนั้นและคัดลอกสืบกันมา ส่วนฝ่ายมหายานได้มีแสดงผิดแพกออกไปดังเช่นปรเดประเภทต่างๆที่อ้างมาแล้วแม้วิธีช่วยก็เช่นเดียวกันดังในหนังสือเล่มหนึ่งในกล่าวถึงเรื่องพระโมคคัลลานะไปช่วยมารดามีความว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตุวันใกล้กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาได้ทราบว่าทางจีนถือเบื้องซ้ายเป็นสคัญเบื้องขวาเป็นรอง ทั้งที่เบธจะถือเช่นเดียวกันกระมังได้คิดจะช่วยมารดาบิดาผู้ล่าไปแล้วจึงตรวจดูไปทั่วโลกว่าท่านทั้งสองนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นมารดาไปเกิดอยู่ในเปดโลกไม่มีความสุขปราศจากอาหารและน้ําดื่มมีร่างกายผ่าย ผ, ายผอมหรือแต่หนังหุ้มกระดูกมีความสงสารเป็นอย่างยิ่งจึงได้ไปหามารดาในยื่นป่า ท, ที่เต็มด้วยข้าวให้มารดาของท่านรับบาดมาถือไว้ในมือซ้ายพยายามที่จะหยิบข้าวเปิบเข้าปากด้วยมือขวา แต่ก่อนที่จะถึงริมฝีปากข้าก็กลายเป็นเท่าฐานไฟนางไม่อาจที่จะบริโภคได้เมื่อได้เห็นเช่นนี้พระโมคคัลลานะก็มีความสั่งเวชสลดใจได้กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณนะที่ประทับกราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นและรอฟังคำสั่งสอนของพระองค์พระบรมครูได้ตรัสว่าบาปที่ผูกมัดมารดาของพระโมคคัลลานะไปสู่ฐานะที่ไม่เป็นสุขนี้เป็นบาปหนักพระโมคคัลลานะหรือใครในโลกหรือเทวโลกทั้งหมด ไม่อาจจะช่วยให้หลุดพ้นได้ด้วยลําพังกําลังของตนเองแต่ความหลุดพ้นอาจจะมีได้โดยสง์คือภิกษุในสิบทิศมาประชุมกันด้วยกําลังทางจิตใจของสงดังกล่าวความหลุดพ้นจึงอาจมีได้จึงทรงแนะนําวิธีจะช่วยให้พ้นจากความทุกนี้และความทุกที่คล้ายกันทั้งหมดคือในวันที่15ของเดือนที่7ภิกษุในสิบทิศมาประชุมรวมกันแล้วก็พึงถวายทานเพื่อที่จะช่วยบุพชนด้วยวิธีนี้บุพชนทั้งหลาย จะหลุดพ้นจากความทุกข์และเกิดขึ้นในทันทีในภูมิที่มีสุขในสวรรค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนคำที่จะสวดในขณะที่มีการถวายทานซึ่งจะให้บังเกิดคุณอย่างแน่นอนพระโมคคัลลานะมีความชื่นชมยินดีและด้วยวิธีที่ทรงสอนนี้ก็ได้ช่วยมันดาให้พ้นจากความทุกข์ได้อีกเรื่องหนึ่งเล่าถึงพระพุตรเจ้าเสด็จไปโปรดนางพญาเปรตมีความว่านางพญาเปรตมีนามว่าหาฤติ ปาเป็นไฟมีลูกถึงห้าร้อยนางเที่ยวจับเด็กที่มีชีวิตมาเลี้ยงพวกลูกของนางพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาได้เสด็จมายังที่พำนักของนางได้ทรงซ่อนบุตรคนเล็กสุดที่รักของนางชื่อปิงคระไว้ในบาดของพระองค์เมื่อนางกลับมาไม่พบบุตรก็มีความเศร้าโศกและได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงช่วยติดตามนํากลับมาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้นางทราบว่าปิงคาระของนางอยู่ในบาดของพระองค์นางและพวกบริวาร ได้ช่วยกันพยายามที่จะนําปิงคละออกมาจากบาทแต่ไม่สําเร็จจึงได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงช่วยอีกพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่านางเที่ยวกินเด็กที่เป็นบุตรของมนุษย์ซึ่งมีบุตรกันคนละสองสามคนเท่านั้นส่วนนางสิมีลูกถึงห้าร้อยคนถึงอย่างนั้นก็ยังเศร้าโศกเพราะเสียลูกไปเพียงคนเดียวนางพญาเปรตกราบทูลว่าบุตรคนนี้เป็นสุดทรักและได้ถวายปฏิญญาว่าจากไม่กินเด็กมนุษย์อีกต่อไป พระพุทธเจ้าได้ทรงคืนปิ่นคลระให้แกนางนางได้ถึงรณะนสามและสมาทานศีลห้าเรื่องนี้อ้างว่ามีในรัตนกูตสูตรและทางรัติลามะได้กล่าวต่อไปว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสัญญาว่าในอนาคตภิกษุในพระพุทธศาสนาทั้งหมดจะให้ข้าประจําวันกํามือหนึ่งมือหนึ่งแกนางทั้งสองเรื่องนี้เล่าแทรกเข้ามาเพื่อหเห็นเป็นเรื่องแปลกหูเรื่องแรกก็พราะเป็นเรื่องเปลี่ยนได้ ส่วนเรื่องหลังเป็นเรื่องยักษิศีมากกว่าแต่วิธีช่วยในเรื่องที่หนึ่งและตามที่รัติลามะเพิ่มเติมไว้ท้ายเรื่องที่สองก็มีเขาเป็นวิธีทักศิณาแต่ก็ไม่ตรงกับวิธีบำเพ็ญทักศินาตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่ว่าด้วยพรรษาที่สองที่สาโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในตอนต่อไป